สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่สามสิบสี่ครับบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่สามสิบสี่เรื่องความสัตย์ซื่อในชีวิตสมรสพระเจ้ะพระเจ้านะครับอยู่ในสุภาษิตบทที่ห้าข้อสิบแปดสิบเก้าสองข้อนี้นะครับสุภาษิตบทที่ห้าข้อสิบแปดสิบเก้า จงให้น้ำพุของเจ้าได้รับพรและเปรมปรีอยู่กับพัญญาคนที่เจ้าได้มาเมื่อหนุ่มนั้นเหมือนนางกวางที่น่ารักเลี้ยงผาที่งามสง่าจงให้ฉันของพัญญาเจ้าเป็นที่หนำใจเจ้าอยู่ทุกเวลาจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้คือความสัตย์ซื่อในชีวิตสมรส คนเราจะอยู่ด้วยกันนะครับจะต้องเกิดจากความตั้งใจอย่างแน่วแน่และเป็นการปรนาตัวตั้งปณิธานกับตัวเองและปรณนาตัวให้ตั้งปณิธานกับคู่สมรสของเราเพิ่มพีในวันนี้นะครับสองข้อสั้นๆจงให้น้ำพุของเจ้าได้รับผรแปลง่ายๆว่าจงให้ความเป็นชายของเจ้าได้รับผ่อน และเปรมปรีนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับภรรยาที่เจ้าได้เมื่อหนุ่ม น, นั้นคําว่าเปรมปรีมีความหมายว่ามีความสุขด้านการสมรสมีความสุขในทุกด้านการสมรสที่รวมถึงความพึงพอใจทางเพศด้วยความเปรมปรีทางเพศด้วยตรงนี้นะครับพระกัมพีใช้คําที่สวยงามมากและเป็นคําที่ ละมุนละไมในเรื่องของความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสนั้นจะต้องเกิดจากความพึงพอใจทางเพศ <c oughs> ในด้านหนึ่งต้องเกิดจากความพึงพอใจทางเพศต้องมีความพึงพอใจทางเพศนะครับที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเพร่อนบีกำลังบอกว่าชีวิตครอบครัวนะครับเราจะซื่อซื่อต่อกันในขณะเดียวกันครับเราจะต้อง มีความรับผิดชอบต่อกันในเรื่องของการสร้างความพึงพอใจทางด้านเพศความพึงพอใจในการอยู่ร่วมกันความพึงพอใจและมีความสุขในทุกๆด้านของการสมรสเครื่องพีใช้คำว่าพัญญาที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้นหมายความว่ากำลังพูดกับผู้ชายที่มีนิสัยสัมสอนมีนิสัยที่ มีภรรยาหลายคนมินิสัยที่ไปคบกับหญิงโสเภณีให้กลับใจใหม่ครับให้กลับใจใช้ชีวิตอย่างมีความฉุกอยู่กับภรรยาคนแรกด้านหมายความว่าพระกัมพีกําลังพูดถึงโมโนแกมี่โมโนแกมี่ก็คือว่าผัวเดียวเมียเดียวสามีเดียวภรรยาเดียวครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากข้อต่อไปนะครับเหมือนนางกวางที่น่ารัก และเลียงผาที่สวยงามเราจะเห็นว่าเมื่อแรกเริ่มเดิมทีสามีภรรยาเพิ่งเริ่มแต่งงานกันใหม่ความสวยงามทางด้านร่างกายก็มากแต่เมื่อเวลาแต่งไปแล้วสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีเธอจะเหมือนนางกวางที่น่ารักและเลียงผาที่งามสง่าได้อย่างไรคำว่านางกวางที่น่ารักและเลียงผาที่งามสง่า มีความหมายถึงการรู้จักกันและกันอย่างลึกซึ้งครับจนกระทั่งเธอนั้นเป็นผู้ที่น่ารักทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตกิญญาณเป็นความคุ้นเคยที่สามีนั้นจะเห็นภรรยาแม้ว่าอาจจะมีอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันเสียงตางที่เคยแต่งตึงนั้นก็อาจจะมีความรู้สึก ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พันัมพีบอก ว, ว่าจงให้ฐานของภรรยาเจ้าเป็นที่นำใจเจ้าอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าไงครับภรรยาคนเดิมครับแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆแต่ภรรยาท่านจะสวยงามทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นภรรยาท่านจะสวยงามทางด้านอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น พระยาท่านจะพัฒนาทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นแม้ว่าร่างกายภายนอกนั้นอาจจะเสื่อมโทรมไปแต่ยังเป็นที่หนำใจยังเป็นที่สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจของความสุขทางเพศอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ปกติครับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่รักพระเจ้าและให้พระเจ้ามาก่อน เพราะฉะนั้นเขาจึงมีความสุขอยู่กับชีวิตของครอบครัวมีความสุขที่มีผู้เดียวเมียเดียวมีความสุขที่ไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงโสเพณีประการที่สองครับจงดื่มดําอยู่กับความรักของนางเสมอพี่น้องครับเมื่อพระเจ้ารวมเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันอาดาัมเอวาไม่อายกันตรงนี้คาว่าไม่อายกันนั้นมีความหมายถึงว่า เขาทั้งสองนั้นมีความสุขนะครับทางด้านโฮลิสติกโฮลิสติกก็คือมีความสุขทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยความสนิทสนมด้วยความคิดเชื่อในทุกๆด้านก็รวมถึงการมีความสุขทางเพศด้วยกันได้ฉะนั้นไม่เพียงแต่ความสุขทางด้านร่างกายความสุขทางด้านอารมณ์และจะต้องมีการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายจิตวิญญาณ คำว่าดื่มดั่นั้นมีความหมายว่าเพลิดเพลินครับมีความหมายในภาษาอังกฤษแปลว่าบาดอกบาดใจพูดง่ายๆว่ามีความตื่นเต้นมีความดื่มดั่มีความสุขนะครับมีความสุขอยู่กับอะไรครับอยู่กับภรรยาที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มอยู่นั้นอยู่กับความรักของนางเสมอนางคนนี้ก็คือภรรยานั่นเองเห็นไครับ ให้เราอธิษฐานกันนะครับเพื่อที่เราจะมีความสุขทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณและอยู่กับความรักของนางเสมอนะครับบาดอกบาดใจดื่มดมมีความเพลิดเพลินในความรักที่นางมอบให้กับเราประการสุดท้ายครับประการที่สามก็คือว่าในแง่ของผู้ชายนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสัมพันธ์ดังเพศกับผู้หญิงอื่นนอกจากการสมรส ผู้หญิงที่นอกเหนือการสมรสนั้นผู้ชายไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศในแง่ของผู้หญิงเองนะครับเราเองก็ต้องรู้ตัวครับที่เราจะต้องคอยให้ความสุขทางเพศความสุขทางด้านร่างกายกับผู้ชายอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมและให้เขาเกิดความพึงพอใจในเรื่องนี้พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งแต่ละคู่หรือผู้หญิงแต่ละคนจะต้องขอคําปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ให้คําปรึกษาเป็นกรณีส่วนตัวผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านนะครับมีพี่เลี้ยงบางครั้งที่เลี้ยงอาจจะเป็นโสดเขาไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ขอให้พี่น้องได้ไปได้โปรดไปปรึกษากับศิษย์พิบาลหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านครอบครัวผู้เชี่ยวชาญ เ, าเรื่องของการสมรสนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต, ต่อชีวิต ของคู่สมรสทั้งสองทางด้านเพศมีค like ada, ํากล่าวอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าสามารถที่จะให้ความรักพิเศษกับคู่สามีพันยาแม้ว่าเขาทั้งสองจะแต่งงานมากกว่าห้าสิบปีแล้วก็ตามพระเจ้าสามารถที่จะให้ความรักพิเศษกับคู่สามีพันยาแม้ว่าเขาทั้งสองจะแต่งงานมากกว่าห้าสิบปีแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นพวกเรายังไม่ถึงห้าสิบปีนะครับหรือบางท่านอาจจะถึง เด็ก็ไม่เป็นไรครับพระเจ้าสามารถประทานความรักพิเศษได้พระเจ้าสามารถประทานความโรแมนติกให้กับคู่สามีภรรยาได้แม้ว่าเขาทั้งสองจะแต่งงานมากว่าห้าสิบปีแล้วแต่น่าเสียใจเสียใจครับในสมัยนี้มีคู่หนุ่มสาวซึ่งไม่ยอมทำตามพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาอยู่กินกันเองโดยไม่แต่งงานและอยู่กันไม่ยืดยาวตลอดชีวิตพอเรียนหนังสือจบก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป หรืออาจจะมีลูกแล้วเกิดภาวะวิกฤตเกิดขึ้นพวกเขาก็แตกแยกและไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไม่มีความผูกพันอันเนื่องจากพิธีสมรสไม่มีความผูกพันเนื่องจากการที่เขาจะต้องเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าหนุ่มสาวเหล่านั้นกําลังทําผิดกฎของพระเจ้าครับหนึ่งสองก็คือว่าเ้าล่วงละเมิดร่างกายของตนเองซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าโดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการแต่งงาน แท้จริงแล้วนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องการแต่งงาน้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเงาของครอบครัวบนสวรรค์ครับครอบครัวบนสวรรค์นั้นมีพระเยซูเจ้าเป็นบ่าวเป็นเจ้าบ่าวและทัชจักรเป็นเจ้าสาวและบนสวรรค์นั้นมีพระบิดาผู้ทรงครอบครองเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์ดังนั้นเองพี่น้องครับเราจะเห็นภาพครอบครัวที่สมบูรณ์แบบบนสวรรค์เปรียบเทียบกับภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบนักในโลกนี้อันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ป่าวันเราจะต้องมีความอุดสหาห์ work o u ต้องมีความเพียรพยายามที่ให้ครอบครัวเรานั้นเข้าใกล้และเป็นเหมือนครอบครัวสวรรค์ให้มากที่สุดครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรักคู่สมรสของเราขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะแสดงความแตกต่างระหว่างความรักกับความหลงขอพระเจ้าช่วยในการที่ให้เรารู้ความแตกต่างระหว่างความรักกับความหลงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรารู้ว่าความรักนั้นเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ความหลงนั้นเป็น เรื่องของเนื้อนหนังเรื่องของราคาตันหาขอพระเจ้าสร้างบ้านของเราให้อยู่บนศีลาที่มั่นคงเมื่อพายุพัดมาบ้านหลังนั้นก็ไม่ถูกให้พังทลายอาเมน